นิสักิียปาจิตติสิกขาบทที่สองว่าจีวอนสำเร็จแล้วกะถินอันภิกษุเดาะเสียแล้วถ้าภิกษุอยู่ปราศจากไรจีวอนแม้สิ้นราตรีหนึ่งเว้นเสียแต่ภิกษุได้รับสมมุติเป็นนิสักิียปาจิตติตรจีวอนนั้นคืออันตราวาสกผ้านุ่งหนึ่งอุตราสง ผ้าห่มหนึ่งสังขาติผ้าคลุมหนึ่งเป็นของอันพระศาสดาทรงพระอนุญาตสำหรับภิกษุตรายจีวร น, นี้ในบางสมัยเช่นในฤดูร้อนคงเป็นของที่เกินต้องการไปตัวหนึ่งกล่าวคือสังขาติภิกษุทั้งหลายจึงพอใจมีแต่อันตราวาสกกับอุตราสง์เท่านั้นไปข้างไหนไหน แต่ลราวต้องการใช้ครบไตรจีวรย่อมมีเช่นในฤดูหนาวจำนวนจึงควรกำหนดไว้ข้างสูงพระศาสดามีพระพุทธประสงค์จะให้มีไว้ครบจำนวนจึงทรงบัญญัติสิกขาบทนี้แม้อย่างนั้นยังทรงรับรองความสะดวกด้วยจีวรเพียงสองผืนในการบางคราวในที่บางแห่งของภิกษุบางรูปจึงได้ทรงพระอนุญาต ให้อยู่ปราศจากรตรจีวรได้ในบางคราวเช่นจำพรรษาครบไตรามาสแล้วหรือได้รานกถินแล้วอยู่ปราศจากรตรจีวรได้ช่วงกำหนดการและส่งพระอนุญาตให้สมมติติชิวระอวิปวาตลงในสมานาสังว่าสสีมาสำหรับเป็นที่ไม่อยู่ปราศจากไตรจีวรคืออยู่ในเขตนั้นแม้มีตรจีวร อ, อยู่กับตัวไม่ครบ ชื่อว่าไม่เป็นอันอยู่ปราศจากไตรจีวรและทรงพระอนุญาตเพื่อทรงให้สมมุติแก่ภิกษุผู้อาพาธให้อยู่ปราศจากไตรจีวรได้ในการและในที่นอกทรงพระอนุญาตภิกษุผู้ไม่ได้รับสมมุติต้องมีอยู่กับตัวครบไตรจีวร ทอดทิ้งไว้ที่อื่นพื้นใดพื้นหนึ่งเป็นต้นว่าสังคติแม้เพียงล่วงราตรีหนึ่งถึงเวลาอารุณขึ้นเป็นนิสัคิยปาจิตตีฟังเพียงเท่านี้ดูเหมือนจะเข้าใจพระพุท ธ, ธที่บาบในอันทรงบัญญัติสิกขาบทนี้และพอปฏิบัติให้สมได้รั้นเมื่อเริ่มปัญหาขึ้นว่าจีวร อ, อยู่ในเขตเพียงไร ชื่อว่าไม่อยู่ปราดคืออยู่กับตัวคราวนี้จะต้องพิจารณาถึงเขตเขตนั้นท่านไม่ได้หมายเอาการของภิกษุดังความเข้าใจกันมาว่าพอจวนเวลาอารุณขึ้นต้องคล้องผ้าครบทรยจีวรท่านหมายเอาจังหวัดที่อยู่ของภิกษุอยู่ในภายในสีมาซึ่งได้สมมติติจีวระอวิปวาทไม่เป็นอันอยู่ปราด ละ ว, วัดในครั้งนั้นน่าจะอยู่ในเขตนี้แทบทั้งนั้นกระมังในคำภีวิพังจึงแก้เขตเป็นของบ้านทั้งนั้นไม่ได้กล่าวถึงถินของภิกษุเลยเขตที่กล่าวไว้ในคำภีวิพังนั้นยนแสดงดังนี้ของสกุลเดียวก็มีของต่างสกุลก็มีของสกุลเดียวบ้านมีเครื่องล้อมกําหนดเอาเครื่องล้อมเป็นเขต ไม่มีเครื่องล้อมกำหนดเรือนที่ไว้ผ้าเรือนโรงมีเครื่องล้อมกำหนดเอาเครื่องล้อมเป็นเขตไม่มีเครื่องล้อมกำหนดเอาห้องที่ไว้ผ้าเรือก็เหมือนกันนาลานนวดข้าวสวนมีเครื่องล้อมกำหนดเอาเครื่องล้อมเป็นเขตไม่มีเครื่องล้อม กำหนดเอาหัตถบาทแห่งตัวกับผ้าศอกหนึ่งในระหว่างคำว่าหัตถบาทคือบ่วงมือคือที่ใกล้ตัวชั่วคนหนึ่งนั่งตัวตรงเหยียดแขนออกไปจับตัวอีกคนหนึ่งได้โคนต้นไม้กำหนดเอาแดนที่เงาแผ่ในเวลาเที่ยง เอาจีวรไว้ในเขตอยู่ในเขตหรือไม่ลาหัตบาทแห่งเขตนั้นเป็นอันไม่อยู่ปราดถ้าสถานเหล่านั้นเป็นของต่างสกุลเอาผ้าไว้ในสำนักแห่งสกุลใดกําหนดเอาสำนักของสกุลนั้นเป็นเขตหรือกําหนดเอาที่ทางอันใช้ร่วมกันก็ได้ ถ้ากำหนดเอาความมีสิทธิ์ต่างออกไปไม่ได้กำหนดเอาหัตถบาทแห่งตนป่าหาบ้านไม่ได้กำหนดเอาเจ็ดอับพันดรโดยรอบเป็นเขตอับพันดรหนึ่งยี่สิบปดอกหรือเจ็ดวาส่วนสัตถาหรือหมู่เกวียนหรือหมู่ต่างนั้น ของสกุลเดียวท่านให้กำหนดเขตข้างหน้าข้างหลังด้านละเจ็ดอัพพันดอนด้านข้างทั้งสองด้านละหนึ่งอัพพันดอนข้อนี้ข้าพเจ้าไม่เข้าใจจะถือว่าเป็นอุปจาระบ้านเรือนไม่มีเครื่องล้อมควรจะกำหนดเขตด้วยเลดูบาดคือชั่วควางก้นดินตกตามวิธีกำหนดอุปจาระบ้านและอุปจาระเรือนในที่อื่น ที่นี้หาได้กำหนดเช่นนั้นไม่เอเชนไหนศรัทธาอันไม่ตั้งอยู่ที่จะได้เขตมากกว่าบ้านเรือนไปอีกส่วนของต่างสกุลท่านให้กำหนดเอาหัตถบาตแห่งหมูกเกวียนน่าจะเห็นว่าของสกุลเดียวควรกำหนดเช่นนี้ของต่างสกุลเอาผ้าในเกวียนของสกุลใดควรกำหนดเอาหัตถบาตแห่งเกวียนของสกุลนั้น เขตเหล่านี้กำหนดไว้สำหรับภิกษุเดินทางเข้าอาศัยเขาอยู่หรือกล่าวตามธรรมเนียมเดิมรังภิกษุยังอยู่ไม่เป็นที่ก็อาจเป็นได้ข้าพเจ้าไม่เข้าใจมติของพระคันธารโรจนาจารในข้อนี้ในบัดนี้ภิกษุอยู่ณวัดในคามเขตอันไม่ได้สมมติติจีวระอวิปว่าด ทังใช้อัติเรกจีวรหรือวิกาปิตาจีวรฟูมไฟล่อแหลมต่ออาบัตนี้มากเข้าจะพึงกําหนดเขตอย่างไรกําหนดอนุโลมโดยในย่าอันท่านกล่าวไว้ดังนี้กุดีมีบริเวณภิกษุครอบครองเป็นเจ้าของผู้เดียวกําหนดเอาเครื่องล้อมเป็นเขตไม่มีบริเวณกําหนดเอากุดี กุดีมีบริเวณเป็นที่อยู่แห่งภิกษุมากรูปกำหนดเอากูดีที่ไว้ผ้าไม่มีบริเวณกำหนดเอาห้องที่ไว้ผ้าศาลาและอื่นออันเป็นสาธารณสถานพึงกำหนดในเวลาใช้รูปเดียวหรือหลายรูปโคนไม้และที่แจ้งมีเครื่องล้อมกำหนดเอาเครื่องล้อม ไม่มีเครื่องล้อมโคนไม้กำหนดเอาแดนที่เงาแผ่ในเวลาเที่ยงที่แจ้งกำหนดด้วยหัตบาตในระหว่างตนกับผ้ากล่าวสั้นเอาผ้าสังคติเก็บไว้ในที่เช่นใดมีแต่อันตราวาสกกับอุตราสง์เท่านั้นเข้าบ้านได้ตามพระพุท ธ, ธานุญาตพึงกำหนดเอาที่เช่นนั้นเป็นเขต จีวันเป็นนิสสคีเพราะอยู่ปราจเครลวงราตรีนั้นพึงสละแก่สงก็ได้แกคณะก็ได้แก่บุคคลก็ได้คำเสิสละแก่บุคคลว่าดังนี้อีทังเมพันเตจีวรังราติวิปปวุฒังอัญญตะพิคุส ม, มัติยานิสสคียังอิมาหังอายสมโต นิสัชชามิแปล ว, ว่าจีวรผืนนี้ของข้าพเจ้าอยู่ปราดแล้วล่วงราตรีเป็นของจำจัสละยกเว้แต่ภิกษุได้สมมุติข้าพเจ้าสละจีวรผืนนี้แก่ท่านถ้าสองผืนว่าทวิจีวรังถ้าทั้งสามผืนว่าติดจีวรัง คาคือผ้าให้เหมือนสิกขาบทก่อนจีวอนเป็นนิสสคียังไม่ได้สละบริโภคต้องทุกกฎสละแล้วได้คืนมายังปรารถนาอยู่พึงอธิษฐานเป็นตรายจีวอนใหม่สิกขาบทนี้เป็นอจิตกะแม้ไม่ตั้งใจแต่อยู่ปราดแล้วก็เป็นอาบัต อยู่ปราดไม่ถึงคืนหนึ่งปัจจุดรอนเสียอยู่ปราดคือการอยู่โดยไม่มีปัจจุทรคือถอนคืนหมายถึงถอนคืนผ้าที่อธิษฐานไว้หรือของนั้นสูญเสียหายเสียพ้นไปจากกรรมสิทธิ์ของภิกษุแต่อารุณยังไม่ทันขึ้นไม่เป็นอาบัต